Book 2 6หกสิบแปดแปสิบหกใหญ่เล็กใหญ่และเล็กใหญ่และล็กช้างตัวใหญ่เอเล anten อะใหญ่ หนูตัวเล็กมูส์น์เป็นเล็ลมืดและสว่างมืดและสว่างตอนกลางคืนมืด น, ตนัตต์น์เป็นมตอนกลางวันสว่างเดย์น์เป็นสแก่ชลาหนุ่มสาว แกมันโอ้คุณปู่คุณตาของเราแก่มากวอล์สมฟฟาร์าร์าแอร์มาดกมล70ปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม45ปีซีดนว่าเันสตั๊ย่าอสวยและน่าเกลียดสมกัอมกรมผีเสื้อสวย ซัมเมอร์ฟูลน์นอร์สกุกแมงมุมน่าเกลียดเอดอร์ค อ, อร์เป็นกริมอวนและผอม ท, อท้นผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนอินควินเนปะหนึ่งร้ิโลอร์ทกผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม En mand på 50 kilo er tynd. p å n g læt tu. og billig. Rød, priskræg. Bilen er dyr. n ø g s e r p i m p r i s k r t g Er visen er billig.